จึงรีบเดินทางตามท่านไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้นณที่ดงมะไฟบ้านขอนี้เองหลวงปู่ได้พบอาจารย์ที่ตนเองอยากพบมานาเป็นครั้งแรกประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นถามคือมาจากไหนเมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลท่านได้กล่าวเป็นประโยคที่สองแต่เป็นคําแรกที่ท่านสั่งสอนก็คือเออต่อไปนี้ภาวนา ความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามีความหมายมากเหลือเกินในขณะนั้นตามความรู้สึกแล้วเมื่อได้พบท่านตามความตั้งใจไว้ก็แสน จ, จะดีใจเมื่อท่านพูดว่าต่อไปนี้ให้ภาวนายิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะความตั้งใจของตนบนรรลุตามความประสงค์แล้วประกอบกับอาจารย์บอกให้ภาวนา ทำให้จิตใจของหลวงปู่ในขณะนั้นเอิบอิ่มอย่างบอกไม่ถูกเพราะความปรารถนาของตนได้สำเร็จตามความตั้งใจแล้ว 6. จำใจจำกลับสู่มาตุภูมิพุทธศตราษ2461ในขณะที่กำลังนีใจอยู่กับการได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจไว้นั้นเองโดยอยู่อบรมกับท่านได้4วัน วันที่ห้าก็มีพี่เขยและน้าเขยซึ่งอยู่จังหวัดเลยต่างก็รอคอยการกลับไปเยี่ยมบ้านของหลวงปู่อยู่เช่นกันเป็นเวลานานถึงสิบปีเศษนับแต่จากบ้านไปศึกษามมุนกระจายที่เมืองอุบลหลวงปู่ไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยทั้งพี่เขยและน้าเขยกำลังจะไปตามหาหลวงปู่ที่เมืองอุบลแต่ได้ทราบข่าวว่า หลวงปู่ออกจากเมืองอุลไปตามหาหลวงปู่มั่นทางเมืองอุดรทั้งสองจึงเดินทางมาสกัดทางเมืองอุดรสืบหาตามที่อยู่ของหลวงปู่มั่นประจวบกับหลวงปู่แหวนเดินทางมาพักอบรมอยู่กับหลวงปู่มั่นได้สี่วันวันที่ห้าพี่เขยและนาเขยได้ตามไปพบและบอกความประสงค์ว่าจะมารับกลับหลวงปู่จึงถามว่าจะรับกลับไปที่ไหนตอบว่ารับกลับไปบ้าน จึงถามอีกครั้งว่ากลับไปทำไมได้รับคำตอบว่าเพราะจากบ้านมานานพ่อแม่พี่น้องและญาติญาตต้องการเห็นหน้าจึงให้ตามมารับกลับคืนไปเยี่ยมบ้านเมื่อนึกทบทวนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมานับแต่ได้ออกจากบ้านไปศึกษามูลกระจายอยู่เมืองอุบลเป็นเวลาถึงสิปีเศษระหว่างนั้นท่านไม่เคยกลับไปเยี่ยมโยมบิดาเลยโยมบิดาคงจะชรามากแล้ว กลับไปเยี่ยมโยมบิดาบ้างก็คงจะดีจึงตกลงใจกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับญาติที่มารับเวลาเย็นหลังจากทำกิจวัตรแล้วจึงเข้าไปกราบลาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นกราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีญาติจากจังหวัดเลยมารับให้กลับไปเยี่ยมบ้านหลวงปู่มั่นท่านถามว่ากลับไปทาไมบ้านกราบเรียนท่านว่ากลับไปให้โยมบิดา พี่น้องและญาติญาติได้เห็นหน้าเท่านั้นเองท่านพูดว่าเออไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานอยู่นานไม่ได้ประเดียวเสียท่าเขานะเสียท่าเขาถูกเขามัดไว้แล้วประเดียวจะดิ้นไม่หลุดเมื่อท่านอนุญาตแล้วรุ่งขึ้นอีกวันก็ออกเดินทางกลับจังหวัดเลยตั้งแต่เช้าตรู่ของวันใหม่อันหนึง่ง ที่ดงมะไฟบ้านคอนี้นอกจากหลวงปู่แหวนจะได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจแล้วหลวงปู่ยังได้พบกับสหธรรมิกผู้มีอัธยาศัยตรงกันซึ่งเป็นสหจรรย์ร่วมกันไปทุกคนทุกแห่งสหธรรมิกของหลวงปู่แหวนท่านนั้นก็คือหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมนั่นเองเมื่อเดินทางไปถึงบ้านแล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดโพชัย ข่าวการกลับมาเยี่ยมบ้านของหลวงปู่กลายเป็นข่าวใหญ่ประจำบ้านนาโปงแพร่สัพัดไปอย่างรวดเร็วในหมู่บ้านนั้นและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่แหวนที่ไปศึกษาอยู่เมืองอุบลได้กลับมาบ้านแล้วบรรดาญาติพี่น้องผู้ที่เคารพนับถือผู้ที่คุ้นเคยต่างก็มาเยี่ยมไม่ได้ขาดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ญาติและไม่คุ้นเคย ต่างก็มากันจำนวนมากเช่นกันเพื่ออยากรู้อยากเห็นพวกที่มาเยี่ยมนั้นบ้างก็ถามสารทุกบ้างก็ถามถึงการศึกษาเล่าเรียนบ้างก็นิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ที่บ้านจึงบอกเขาไปว่าการนิมนต์ให้อยู่ก็อยู่ได้แต่จะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องนับถ้าเห็นยังอยู่ก็ให้รู้ว่าอยู่ถ้าไม่เห็นก็ให้รู้ว่าไปแล้ว จะกําหนดว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้พอถึงวันพระมาบรรดาพระภิกษุสามเณรก็ดีบรรดาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ดีต่างก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาถวายขอต่อศีลด้วยเพราะพวกเขาต่างเข้าใจว่าหลวงปู่มีศีลบริสุทธิ์ต้องไปขอต่อศีลด้วยเรื่องการต่อศีลของพวกอุบาสกอุบาสิกานี้มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งกล่าวคือ พวกอุบาสกอุบาสิกานั้นเวลาเอาดอกไม้ทูกเทียนมาถวายเพื่อสมาทานศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถแล้วแต่ความสามารถและใจสมัครของตนเวลามาขอสมาทานศีลต่างก็นุ่งขาวห่มขาวกันทุกคนแต่พอสมาทานศีลเสร็จแล้วกลับไปบ้านแล้วต่างก็ถือเอาสุ่มเอาแหเอายอเอาสวิงออกจากบ้านไปจับปลากันเป็นกลุ่ม พิจารณาดูแล้วเหมือนนกยางถือศีลศีลก็จะรักษาปลาก็จะกินถึงจะห้ามเขาก็คงไม่ฟังแม้สมัยพุทธกาลวิสัยก็ยังไม่สามารถจะทรมานบุคคลบางจำพวกได้พิจารณาไปแล้วจึงปล่อยไปตามยะถากรรมขณะที่พักอยู่ที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งนั้นก็คอยถามข่าวทางเมืองอุบลอยู่เสมอก็ได้รับข่าวว่า บรรดาอุปชางก็ดีอาจารย์สวดก็ดีลาสิกขาไปหมดแล้วแม้เพื่อนทั้งสองคือพระเหลาและพระเฮียงก็ได้ลาสิกขาไปหมดแล้วเช่นกันบรรดาผู้คนที่มาดูมาเยี่ยมในครั้งนั้นมากเหมือนมีงานประจําวัดเพราะต่างก็พูดกันไปว่าไม่เห็นพระเห็นเนรที่ไหนตั้งแต่เกิดมาพอบวชแล้วไม่อยู่บ้าน ไปเล่าเรียนศึกษานับเป็นเวลาตั้งสิบปีเศษไม่เคยเห็นกลับมาเยี่ยมบ้านเลยเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับเสือกับช้างก็ไม่เป็นอันตรายน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อต่างคนต่างพูดไปข่าวมันก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุอันหนึ่งที่เป็นแรงร้าใจให้ผู้คนนั่งหลายอยากมาดูยิ่งขึ้นผู้คนยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ต้องพูดจารปราศัย พบปะสนทนากันมากขึ้นเท่านั้นการพักผ่อนเกือบจะไม่มีทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมากในที่สุดก็ล้มเจ็บลงเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนเท่าที่ควร 7. มูลเหตุแห่งการเตือนตนครั้งที่สองขณะที่หลวงปู่อาพาธบรรดาญาติพี่น้องผู้ที่คุ้นเคยหรือผู้ที่นิมนต์ให้จำบัญษา ต่างพากันละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพยาบาลรักษาตามที่ควรจะเป็นข้อนี้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาเตือนสติของตนเป็นข้อหนึ่งว่าเรามาที่นี่ก็มาตามคํานิมนต์ให้เรามาผู้คนเหล่านี้ต่างก็เป็นญาติเป็นผู้ค้นเคยกับเราเป็นส่วนใหญ่แต่พอเราป่วยเขากลับละทิ้งเราทําเหมือนกับเรานี้เป็นคนอื่นไม่รู้จักกัน ถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจะอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อเขาไม่ใยดีต่อเราผู้กำลังป่วยอยู่เช่นนี้ข้อนี้เป็นเหตุยกขึ้นเตือนตนเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองในวัดโพชัยในสมัยนั้นบรรดาพระภิกษุสามเณรที่เคยบวชอยู่ร่วมกันก็ดีผู้ที่บวชก่อนก็ดีในสมัยเมื่อยังบรรพชาเป็นสามเณรอยู่นั้นมีอยู่มาก แต่ปัจจุบันต่างก็ลาสิกขากันไปหมดแล้วคงเหลือพระอยู่ประจำวัดเพียงสองรูปเท่านั้นถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจิตของเราอาจจะไม่มั่นคงอาจจะสึกออกไปก็ได้ก่อนที่เราจะมาท่านอาจารย์มั่นก็สั่งไว้แล้วว่าอย่าอยู่นานให้รีบกลับไปภาวนาในขณะที่จิตกำลังคิดวุ่นวายอยู่นั้นฟังคสั่งของบรดาที่ว่าลูกเ อ, อ๋ย แม่นี้ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ก็ไม่ยินดีแม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่ถ้าบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะแต่อีกความคิดเห็นก็แย้งขึ้นมาว่าทางเมืองอุบลบรรดาหนังสือที่เราจานไว้ก็มีมากหลายผูกเมื่อเรามาก็ไม่ได้มอบหมายให้อาจารย์เป็นหลักฐาน เราควรจะกลับขึ้นไปเมืองอุบลเพื่อจัดการเรื่องหนังสือก่อนเห็นจะดีแต่อีกความคิดหนึ่งเห็นว่าทางเมืองอุบลบรรดาอุบาชาอาจารย์และเพื่อนก็ศึกไปหมดแล้วจะกลับไปเพื่อประโยชน์อะไรขณะนั้นความคิดของท่านขัดแย้งสับสนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานับแต่ลาอาจารย์มาเยี่ยมบ้านได้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากหายป่วย ร่างกายพอมีกำลังแล้วขณะที่ความคิดกำลังสับสนยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรอยู่นั้นเองวันหนึ่งได้รับจดหมายจากอาจารย์เอี่ยมจากเมืองอุบลว่าให้กลับไปอุบลเพื่อเรียนต่อให้จบจะได้กลับมาสอนหนังสือที่บ้านเดิมจึงพิจารณาทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่ผ่านมาในที่สุดตัดสินใจได้ว่าการที่จะกลับไปเมืองอุบลเพื่อเรียนต่อ น, นั้น คงจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่การที่อยู่ต่อไปในวัดโพชัยบ้านนาป่งก็ไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรอีกเช่นกันเมื่อได้พิจารณาดูเหตุการณ์โดยรอบครอบแล้วจึงตัดสินใจว่าต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับหมู่คณะอีกต่อไปจะกลับไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อฝึกขัดภาวนาตามความตั้งใจเดิมของเรา ที่ได้ตั้งสัจจาทิฏฐานไว้ก่อนออกจากวัดสร้างทอในที่สุดวันหนึ่งภายหลังจากบินบาตแล้วฉันเสร็จรีบจัดบริการที่จําเป็นเข้าบาศสพายบาศแบกกดสพายย่ามถือเอาก า, าน้ําแล้วได้เดินทางออกจากวัดโพชัยบ้านนาปง่งมุ่งหน้ากลับไปหาอาจารย์มั่นที่โดงมะไฟบ้านขออีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงที่อยู่ของอาจารย์แล้ว ได้พบกับเพื่อนสหธรรมิกผู้เข้ามาขออบรมอยู่กับท่านอีกหลายท่านด้วยกันในสมัยแรกที่หลวงปู่อยู่อบรมกับหลวงปู่มั่นนั้นหลวงปู่ไม่ได้เข้าอุปถัมภ์ท่านอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผู้ใหม่ไม่รู้จักขนบธรรมเนียมข้อวัดอีกประการหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ใกล้ท่านง่ายๆการอบรมอยู่กับท่านเมื่อท่านแนะนําในข้อปฏิปัติแล้วบรรดาศิษย์ ก็ต้องแยกย้ายกันไปหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามความเหมาะสมแก่จริตนิสัยของตนเมื่อถึงวันอุโบสถจึงเข้ามารวมกันทาอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกและรับการอบรมจากท่านอีกครั้งหนึ่งในเวลาเช่นนี้สิ์รูปใดมีปัญหาติดขัดในการภาวนาอย่างไรก็กราบเรียนถามได้ในโอกาสเช่นนี้ ซึ่งท่านเองก็ตอบอธิบายให้ฟังจนเข้าใจตามขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นโอกาสอันหาได้ยากที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้ฟังทมอบรมแยกแยะตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปหาปัญญาขั้นสูงทําให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกผู้ฟังมีภูมิปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไปตามอุบายที่ท่านแสดงให้ฟังนั้น เมื่อเสร็จจากการแสดงธรรมแล้วบรรดาศิษย์ทั้งหลายก็จะกลับไปสู่ที่อยู่ของตนเป็นเช่นนี้เป็นส่วนมากนอกนั้นก็ได้อาจารย์ซึ่งเป็นศิ์รุ่นใหญ่คอยแนะนําชี้ทางตักเตือนสั่งสอนแนะนํากันไปบางครั้งหลวงปู่มั่นจะบอกให้ศิ์รูปนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นรูปนี้ไปอยู่ในสถานที่เช่นนี้ซึ่งแต่ละแห่งที่ท่านบอกให้ไปอยู่ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่มีอันตรายอยู่รอบด้านเพราะที่เช่นนั้นจะเป็นที่เสือมันอยู่เสือมันผ่านไปผ่านมาโดยท่านได้ย้ำต่อผู้ที่จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทให้มีสติอยู่ทุกเมื่อจงอย่าเห็นแก่การพักผ่อนหลับนอนให้มากนักแต่การไปภาวนาอยู่ตามสถานที่เช่นนั้นทําให้จิตรวมตัวได้เร็ว สติก็มั่นคงประจําอิริยาบถมีสติเป็นเพื่อนในการเคลื่อนไหวไปมาเพราะในที่มีอันตรายอยู่เฉพาะหน้าเช่นนั้นสติสัมปชัญญะต้องเป็นเพื่อนด้วยเสมอการทําความเพียรก็เอาจริงเอาจังการพักผ่อนหลับนอนก็น้อยจะมีบ้างก็เพียงเพื่อบํบัติความอ่อนเพลียของาธาตุขันการปรารบความเพียร น, นั้นเป็นไปติดต่อทั้งกลางวันกลางคืน ไม่กำหนดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงถ้าวันไหนธาตุขันไม่แปรปรวนจิตสงบดีวันเช่นนั้นก็นั่งไปตลอดคืนถึงแม้จะนั่งภาวนาอยู่ตลอดทั้งคืนความอ่อนเพลียก็ไม่ปรากฏหลวงปู่กล่าวว่าความอึดอัดใจของท่านในสมัยนั้นมีอยู่สองอย่างคือเวลาพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าในเขามักจะเป็นไข้ป่า เป็นไข้ป่าแต่ละครั้งก็หลายวันเพราะไม่มียารักษาเมื่อจับไข้เข้าต้องอาศัยกำลังจิตเป็นเครื่องบันเทากล่าวคือเวลาจับไข้ก็ต้องเร่งภาวนาขึ้นตามกันพิจารณาจนกว่าไข้จะสางหรือหายไปส่วนมากไม่หายขาดเป็นแต่เว้นระยะการจับไข้ออกไปเช่นสามวันบ้าง5าวันบ้างมันก็กลับจับไข้อีกเป็นชนิดที่เรียกว่าเรือรัง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อถึงวันอุโบสถไม่ได้ร่วมทําสังฆกรรมฟังการสวดปาฏิโมกเพราะสมัยแรกออกปฏิบัตินั้นยังไม่ได้ยติเป็นพระธรรมยุทธเวลาท่านทําอุโบสถฟังสวดปาฏิโมกท่านก็สั่งให้ออกไปให้ผลเขตที่ท่านกําหนดต่อเมื่อท่านทําเสร็จแล้วบรรดาสิทธิ์ที่เป็นพระมหานิกายจึงมาบอกฝ่าดิสุ ต่อจากนั้นท่านจึงแสดงธรรมอบรมอุบายการแก้จิตที่ขัดข้องเวลาภาวนาหรือการพิจารณาหรือคำบริกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่แล้วแต่เหตุการณ์บรรดาศิษย์ที่เป็นฝ่ายมหานิกายด้วยกันที่ไปอบรมอยู่กับหลวงปู่ ม, มั่นในสมัยนั้นมีอยู่หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่กับท่านไปนานๆเมื่อเห็นความไม่สะดวกดังกล่าวมาแล้ว จึงไปกราบขออนุญาตยติเป็นพระธรรมยุทธ์ซึ่งบางรูปท่านก็อนุญาตบางรูปท่านก็ไม่อนุญาตเฉพาะรูปที่ท่านไม่อนุญาตท่านให้เหตุผลว่าถ้าพากันมายติเป็นพระธรรมยุทธ์เสียหมดแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนําในการปฏิบัติมักผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายแต่มักผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้สรงแนะนําสั่งสอนไว้แล้วและในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นจเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญ น, นั่นแหละคือทางดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพาบนบรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านไม่อนุ ญ, ญาตให้ยตินั้นต่อมาภายหลังท่านได้ไปแนะนําสั่งสอนพวกของท่านจนสามารถขยายวงการปฏิบัติออกไปได้อย่างกว้างขวาง มีลูกศิษย์ลูกหาสืบ ต, ต่อกันมาจนปัจจุบันนี้ก็มีเช่นพระอาจารย์ทองรัต์กันตะสีโลเป็นต้นการออกปฏิบัติในสมัยแรกๆยังไม่รู้จักวิธีภาวนานั้นเวลาอยู่ในป่าเวลากลางคืนมักจะเกิดความระแวงไปในเรื่องที่ไร้สาระต่างๆตามแต่จิตมันจะปรุงขึ้นมาส่วนมากมักจะเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งสิ้น ตามความเคยชินของจิตที่เคยเป็นสระมาตลอดโดยไม่มีขอบเขตไม่มีเครื่องกั้นไม่มีสิ่งควบคุมผ่านมาปฏิบัติเข้าในระยะแรกก็รู้สึกดื่มด่ำดีแต่พอเอาเข้าจริงๆจิตกลับฟุ้งปรุงไปเป็นอดีตอนาคตไม่ได้คิดพิจะระนารณาในเรื่องปัจจุบันนักแต่เพราะอาศัยได้รับคำแนะนำแก้ไขพร้อมทั้งอุบายในการแก้จิตในเวลาฟุงสัน้น อุบายการข่มจิตในเวลาเกิดความทะนงตนประกอบการได้รับคำสั่งให้ไปอยู่ในที่ต่างๆดังกล่าวมาแล้วได้อาศัยอาจารย์เสือบ้างอาจารย์ช้างบ้างเป็นผู้ข่มขูจิตประกอบกับพยายามประกอบความเพียรให้เป็นไปติดต่อไม่ขาดวักขาดตอนทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็ค่อยรวมตัวอยู่ในความควบคุมของสติรวมตัวเข้าสู่สมาธิความเยือกเย็น ในด้านจิตใจเริ่มปรากฏผลให้ประจักษ์ทำให้เกิดความมั่นใจในข้อปฏิบัติของตนที่ได้ดำเนินมาว่าไม่ผิดทางเมื่อความสงบตัวของจิตเริ่มปรากฏเป็นผลของการปฏิบัติความเพียรซึ่งแต่ก่อนมาเคยฝึกทามาตลอดนั้นพอจิตสงบลงความเพียรก็เร่งขึ้นตามส่วนเป็นเครื่องบํารุงส่งเสริมสมาธิปัญญาไปในขณะเดียวกัน เมื่อศรัทธามีกำลังวิริยะมีกำลังส ต, ติมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปถึงปัญญาขั้นสูงความสุขทางด้านจิตใจเริ่มปรากฏเป็นผลให้ชื่นชมไม่เสียแรงที่ได้พยายามตั้งใจปฏิบัติมาการปฏิบัติทางด้านจิตนั้นเป็นของละเอียดอ่อนมาก สติสัมปัญญะต้องตื่นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันจิตซึ่งเป็นธรรมชาติชอบคิดชอบปรุงชอบแสสายไปหาอารมณ์จากที่ใกล้ที่ไกลไม่มีขอบเขตถ้าอยู่ในที่ชุมชนอารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเมื่ออารมณ์เข้ามาทางไหนจิตก็รับรู้ต้อนรับทันที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 คอยควบคุมคอยแนะนำมักจะไปแบกไปหาบไปหามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับมาทมตนเองให้เกิดทุกข์ถึงกับบางคนตีอกโชกตนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่ารื่นรมกลายเป็นพิษเป็นภัยไปก็มากส่วนอารมณ์ของนักปฏิบัติผู้อยู่ในป่านั้นมักจะเกิดขึ้นกับจิตที่ชอบปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตซึ่งอารมณ์ประเภทนี้ ทำลายนักปฏิบัติมามากต่อมากแล้วเพราะไม่รู้เท่าทันกลมายาของจิตเหตุเพราะขาดสติปัญญานั้นเองดังนั้นการปฏิบัติจิตตะโวนาจำต้องเป็นผู้ตื่นอยู่เสมออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกตามทวันต่างๆนั้นต้องได้รับการใข้ครควญพิจารณาจากสติสัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้ง นอกจากความเป็นผู้มีสติประจำอิริยาบถแล้วการบริโภคปัจจัยสี่ก็ต้องพิจารณาโดยอุบายทุกครั้งการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคใช้สอยนั้นเป็นอุบายข่มความทะเยอทะยานอยากของจิตได้ดีบางครั้งก็เกิดความแยบคายเป็นอุบายของปัญญาได้ดังนั้นการภาวนาก็คือการมีสติสัมปชัญญะคอยตักเตือนตนเองอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความประมาทความมัวเมามีอินทรีสังวรละเว้นบาปอากุศลแม้เพียงเล็กน้อยจำต้องอาศัยความหมัน่นความพยายามทางกายทางวาจาทางใจของตนจึงจะรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ต้องกระทำให้มากจเจริญให้มากให้เป็นไปติดต่อไม่ขาดวักขาดตอน เมื่อได้รับกุบายจากครูอาจารย์แนะนำแล้วก็แยกย้ายกันไปทำความเพียรเลือกหาสถานที่เหมาะแก่จริทนิสัยของตนบางท่านที่เด็ดเดียวก็มักจะไปเพียงองค์เดียวที่ยังไม่มีความกล้าพอก็มักไปกันสององค์บ้าง3ามองค์บ้างสถานที่ไปส่วนมากมักเป็นฝ่าช้าฝ่าชัดซึ่งมีน้ํามีหน้าผาพอเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝน หลบลมในข่าวจำเป็นในระยะแรกไปอยู่ไม่ไกลจากครัวอาจารย์นักประมาณว่าพอเดินมาฟังธรรมมาทําอุโบสถได้ในวันอุโบสถเว้นเสียแต่มีอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่เป็นผู้ควบคุมไปนั้นแหละจึงไปได้ไกลเวลาติดคัดทางด้านภาวนาก็ต้องอาศัยอาจารย์ผู้ควบคุมนั้นเองเป็นผู้แนะนำ แต่ถึงอย่างนั้นนานๆครั้งถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามหาโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอยู่เสมอการจําบรรษาร่วมกันกับท่านก็นานๆจึงจะได้จําร่วมกันกับท่านครั้งหนึ่งส่วนมากมักจะแยกกันอยู่เพราะการอยู่ร่วมกันมากๆมักเป็นภาระเครื่องกังวลหรือไม่ก็วุ่นวาย